50 languages. เก้าวันปัดว த นวันวารัตินคีรมะยิขลันัน วันพุธบุษันกิดไมวันพฤหัสสัต บ, บดีบีอรักิดไมวันศุกร์เบลลิกิดไมวันเสาร์นิกิดไมวันอาทิตย์ย้อยทรกิดไม สัปดาห์อาทิตย์วัมตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์ติงกันลิรืนดุอนหนึยอนยุรวันที่หนึ่งคือวันจันวันอาทิตย์มุดลดินัมติงกัดกีดไมวันที่สองคือวันอังคาร ยีร่ระด้อวัตดินน้ำเซววัยคริษมวันที่สามคือวันพุธมูร้อวัดินนุ้ตนคิษมวันที่สี่คือวันพฤหัส บ, บดีนองร้วัดินนวียารักิวันที่ห้าคือวันศุกร์อินด้วัดินนเบลลิกคิ วันที่หกคือวันเส า, ารา์วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์เาาย็นวันศุกรนี้ผมหยุดพอดีหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันหนึวดดันุดที่เย็นวันนั้งก็วลนะเราทางานเพียงห้าวัน நாம் ஒரு வாரத்தில் 5 தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம்